มัชมาของพระครูพเจ้ายิเดชมันหนักขนาดไหนมชัชมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนะ น, นั่นเดียวมัชิมาเราอย่างมัชิมาของที่เดชมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการจาก ม, มัชมาของเจ้าให้เรืองสิงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนะ น, นั่นแหละเป็น มัตถิมาเหมาะกับการค่ากิเลสประเภทนั้นๆมัตถิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความขี้เกียจอ่อนแอขณะนี้พอดีพอดีแตพอดีนะมัตถิมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัตถิมาต้องทำให้เป็นนัควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรมั่วผมมั่วผมลงไปตามการตั้งเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่เลยจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นแหลเร่ยกมัตถิมา หนมัางวิเดศอย่างที Hitler, ่เราท่านเห็นมันหนูมัคคุาทวิเด <Kah un> ็กี้างเนี่ยทํ่ทำเป็นบ้องเยอะมากเพราะว่ามันจะเพิ่นไปผะ้างมัที่มะเนี่ยวิเดมันเอาเดือดู้ใจมาใส่ไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วแล้วมันขึ้นปีนบนหัวค้นบนหัวใจค้นแล้วบนหัวบนหัวยคว่าธรรมะนั่นเป็นของกลางก็จริง อยู่จะนำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตฤณิสัยของตนที่จะนําไปใช้คือธรรมะคําว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิจคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นํามาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน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 ในา่างเขาก็ทรามมันเขาเองนี่เราเป็นในายช่างขนาดเราเราควาันายชางเป็นตัวในตัวเอ ง, นเองขนาดไหนที่ติดมันลื่นดึงขนาเวลานั้นล่ะเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนดูลงไ ป, ไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบัติมันก็ต้องต้องย่อนดันลงไปตังหนักตามาเข้าขั้นละเอียดคือควจะใช้ความละเอียดก็ต้องใช้ความละเอียดจะไผ่าผลนั้นก็ไม่ได้มาหาลู่ในตัวเองนั่ะ ถึงเวลาเด็ดมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนมันก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าย่อนด้วยความอ่อนแอรหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรท้ายในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือที่เล็กมีเพือการปฏิบัติเหมาะสมเท่านั้นที่มา้ะได้ผลไปโดยลำพังถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักนี่ยขนาดมันหมอบราดแล้วไปตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความง่วง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 ป่อให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเป็นภูมิก็จะได้ผลในขณะ น, นั้นความสงบความสว่างสวัยจะสแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะ น, นั้นลมพตติปรรยยัญนามีก็ทราบผืนเท่านั้นไม่ทํางาน เป็นความสามารถหน้าามหลงทางพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่ากปุ้นอะไต่อไปอีกนั่นแ่ะที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาอืเลือกับความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเที่แสงตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั่นนั่น ที่จะนำมาพิเรตมาแก้พิเรตประเภทนั้นๆลาใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึง่งครูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามสลิตนิสัยท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษ์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงเอาแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นแิสงท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง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 เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็กแสดงในวงใกล้คิชนั้นจะได้เห็นดวลลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติาการดำเนหนขอทงท่านมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ท่านเปนนักอเาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเหล่านั้นเองอย่างเผ็ดร้อนเอากินออกจากเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย นครูบาาจาจรหลายจิงมากแ้่นิสัยนั้นมาใช้มีเสมอเพราะในสายนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นที่มาแทนนิสยัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามจิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไ ป, ไไมมอปแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย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 ฟังล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วก็มีสงสัยกำลังใจมันก็มีมาเองแราวที่จะนำาไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดที่จะอ่อนก็หย่อนยานลงไปตามสภาพของท่าของขันของจิตใจแล้วก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลา จิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกฆ่าสิบกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลื อ, อไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะชิงยัไงต้องช่วยด้วยช่ยด้วยช่วยด้ว ย, ว ย, วยเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูก ก็ขีบบังคับจากฆ่าสึกคือวิเดททั้งหลายก็เรียกร้องหาความแค่เหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากที่ว่าจากสิษยซึ่งถูกวิเดทเหยียบย่ำทำลายจึงควรหาวิธีช่วยเหลือโดยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆ เพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิงอาศัยจิตนี้ไปตลอดการไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นตัวแทนิีน่ยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราิอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะ ต, ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิต จิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราจึงไม่ควรนอนใจให้ความเช่วยเหลือจาก จ, จิตเป็นเป็นความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลํำดับลํำดับจนกระทั่งผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยชิ่นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลังใจของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้น ผู้วาจารย์ทขาเกิเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆและนำํำ น, นั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นประเภทหนึ่งเราจะนําอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนธรรมาราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกด้านคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายกสติปัญญาของตน คนอื่นยุดยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเค้นบกคร่องเป็นธรรมดาเวลาเขามาหยุดยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติ ป, ปัญญานําออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดของตนคุณวารสติ ป, ปัญญาที่ครูวารจารย์แนะนํำอสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้ บอกได้ผล ม, มากขึ้นไปโดยยังนะถ้าเกิดขึ้นในการผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นท้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนเกาะคนมงถึงคาจําเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่น่ะจิต ท, ที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอทุกคนแล้วถึงคาจําเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตจะประวัติเข้าภายในทันที มันรึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ใครก็ตายเต็มตัวหวังความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มผูมก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามติดเลยตั้งแต่หั่นี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปรรัญญาเท่าเทียมกับกุณมยากุิเลสที่มาสดแสดงอยู่ในขณะนั้ น, น, น เฉพาะอย่างยิ่งนขนาดตายสัตว์โลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพุ่งเทความหลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปัยขอ ง, ของกิเลสที่กลัวตายนถ้าเกิดความข้าหันและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมด า, าเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็กินไม่หมดไม่ใช่จะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองน่ะ ความตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปอย่างไงจึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งบินน้ำนมไเรื่องไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจะทชกระท่านในการสลายตัวของมันเองแต่หตุใดเราใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปโชกรท่านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่เน่เพราะอย่นั้นกระทัดขันมันไม่ง้อมันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี้เลยนะต้องผิดความฉนาดให้ทันกับข้ากับขันกับตัวเองคือจิต คนมายที่เกิดขึ้นจากจีตต้อให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันแต่ตัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเตมสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนถ้าติปัญญาได้ติดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิม ในความรู้สึกอนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตาก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโล่งย่าตไมาเท่านั้นเองธนวานิจังอนิจังมันแปลสภาพตัวของตัวนิจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นตาันนะก็คือจิตผู้นี้แหะก็ให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจังทุขังอตาตัวหลงอนิจังทุกขังตาก็คือตัวจิตนี้ ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสดสันต่างๆแต่จำคันนหมายต่างๆให้รู้ตัวเอ ง, องด้วยเมื่อตั้งรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันอืมสบายเรียนทําเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเพื้องทุกเพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดขึ้นภายในจิ ต, ตทั้งตัว ให้มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถึงกันเราต้มถุนเราสิต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่งพายนองมาต้มถุนเร อ, อกนนี้ตลอดเวลาเราไม่ทราบว่าคนมามยานี่คือเรื่องหลอกตัวเองเร้นร้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองเห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สมาย พอมาพ้นทุกก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองจริง ท, ที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียจากใจไมนมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะไม่ใชนโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิพย์พระจันยร์อังคารที่ไหนน่ะมันเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นอย่างไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหน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 รู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันมหมายพยานการเวลาเดี๋ยวต ะ, ตะคุปเงาไม่ตะคุปเงาบอกก็รู้เงาก็าการู้ไปคุปอะไรทั้งตัว ก, ก็ไม่แต่คุปทั้งเงาก็ไม่แต่คุปดูสมยัยที่ีว่ารู้รอบมเหนือนตะวันเที่ยงตรงทิศตะวันแล้วมันไม่มีเ ง, ง, งามันรอบตัวหมด นี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวอยู่สมายมนี่คำพ้นโลกโล ก, กหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกนันนึกว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมนุนล้วนแขนงสมาย ให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับผู้ท่องเทียนในว่าตัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเต่งไปไหนถ้าหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในกะารจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลัก แห่งความดีประจำตนนั่นแหละถามว่มีอันนี้แล้วจะกลัวเท่าไรก็กลัวยิ่งเป็นการทําลายประเด็นซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่นั่นกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความทุกข์หรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่นี้กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่า ไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทำให้ผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราในจัตติมัทนีสท้สรรสวดกุศลธรรมมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมมาตายแล้วมัสวดกันเต็มมาเต็มาตมาเฮ้ยเรานี่ยอย่างดุ้งไม่นั้นนะก็จะว่ามากกว่าตาม ส่วถ้ามันเต็มใจของเรานี่กุศลาธรรมาแปลว่าอุบายแความฉลาดเอาผิตขึ้นมาให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดท่านกับกิเรกที่ เ, เป็นความโง่เขา่าทําผลให้โง่เข่าก็คือกิเลรกกุศลาสุหมาทั้งมาคุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่ยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลานกุศลาก็ต่าง ต, า, งตายแล้วมันแสนสาําไมไม่ต้องพยุ่มาอะไรแต่ผู้ประสบกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคื อ, อไหลรไปขวดกินเงินกิ น, นทองโอ้ปังเกิดประโยชน์ <laughs> เดีย๋ยงั้นจริงนี่กุศลาธรรมมากระดูจิทของตัวเองมันฉลาดง ไ, งไม่ไม่เวลานี้อกุศลาธรรมมันมีโง่อยู่ในจุดใดบ้างภานจิตนี้เ อ, อัปยากตธรรมมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดแล้วเป็นกุศลคิดแลนเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอัปยาคตธรรมเหมือนกันถ้าเราจ ะ, จะแยกสมมติไปคนนั้นแต่กินเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่าแยกไว้เป็นทำหลายประเภท นี่หล่ะร่างใหญ่อยู่ที่กุชลาธรรมะอุชลาธรรมะอภิญญาปตาธรรมะภายในตัวของเราทั้ทงนั้นสร้างให้พอกุชลาธรรมะให้ตัวให้ให้มันพอใช่ไหมายแล้วนิมนต์พระมามาศึา ก, กาษาพุทธานหรือไม่ไม่เป็นปัญหา น, นี้โลกเขานิยมมันว่ากกระทั่งเปนมาอย่างนั้นแหละเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานที่เหตุผ ล, ลอันแท้จริงก็คือกุชลาธรรมะภายในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ผิด การสร้างอุตลาธรรมะแก่อุตลาหธรรมะพัยนตัวเองแก่หองนี้สร้างห้งนี้มีเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากตามมังทิเทศในจมลนงมากพรไปซ้ำขัดเรื่องนี้เอาใหญ่เลยเวลาหลวงตาบัวตายนั้นไปเขียวว้านองไม้ลาบากาบนทันนะมากุตลาธรรมะอุตลาธรรมะหลงหลงตาบัวตายแล้วนาเออตายตายงหลวงตาบัวตัว พยายามสร้างกุศลความถลาดมาโดยลำดับๆจนเต็มปฎิบัิกำลังความสามารถทำมันจะจมแค่มันจมไปเออ้าความสลาดจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสุ้กุราน่าไม่เกิดประโยชน์วางนี้เลยแไปกวนทํานมาทำไมพระแต่กวนพระธรรมะการวางสร้างไป็นเราะมันอถอยที่เวลา ม, มีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านเนาะพระธรรมะธรรมามากุศลทำมายุ่งไปหมดในสวนมาทั้งก็มีแต่พิธีเอ เรให้พวกนั่นแหะสับปะลุมปเลเลอะเขาจัดนั่นจัดนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ผ่าไร้ที่วอนอะไรก็เขาจัดแล้วเราก็ดมดมมาถวายเท่นั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ ย, อยน้ำพังน้ําแล้งตัวเองที่จะทําแสดงความพอออกพอใจด้วยตัวเองเป็นสมบัติตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่อง น, นี้จะเรื่องพิธีทั้งหมด ทนี่ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่าทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะนั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอในงานสพหลวงพอบัวนี่หรอกทำให้คนเห็นเพราะโลกเมืองไทยนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นหนตายแล้วยุ่งพุทธลามาตติกาลยุ่งไปหมดเลย อนี่ไม่ดีดหอ่อ่ทํามาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่รทราบวิธามหมายความว่าไงสวดกันวันนั่งค่าคืนยังรุ่งนี้จะเสียงอยึกทึกขคือโคลงหาความสงบสงับที่จะเป็นไปพราความสงบเย็นใจแต่ก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลยเวลาพระท่านมาก็มาอา้าวหลักที่ถูกต้องแต่บางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีศรทาอะไรเราบางสกุล เสร็จแล้จะถสกสตีให้พอด น, นี่ยเหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็ น, นเป็นเรามีแบบนี่ฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆเดาวๆถึงแม้จะป่าก็ตา ม, มหลังมีอยู่อย่างนั้นทำอะไรต้องมีเหตุผมมีหลังมีเป็น อยากเอาตัวตวนีมาเหยียดย่ำทำลายศาสนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือใช่ไหมมีศาสนาทุกที่เต็มหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ถึงแม้จะเกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างที้นันกรุงเทพลุซี่ลูกหานา น, นีิมนต์ไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยหายไปเลยไปกี่ขวางเขาหวา่างนี่อ่ะ จทิ้งไปันความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งเลยกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโหพิธีเพราะเปิดทําการรอบด้านนอกเมืองศาสนาเนจะยจัดงานพิธีทําต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลโกนุสุตบุคุท้าฉลามได้ถือเป็นกติกตัวอย่างอันดีงานั่นหลักมีดิตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจ ถ้าพิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ ข, ขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันทั้งนัลอกปอกเปิบแล้วไม่หายามมัใสมันเกิดประโยชนอะไรคันที่องไหนแล้วเก้าที่องนั่ น, นองทิ้งที่องไหนพิจนาที่องนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลาธรรมาให้สวดให้ตัวเองนั่นแหะนั่งก็ให้สวยดยืนเดินด น, นั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่งตัวเองอความโง่เนี่ยนำพาให้คนติดรับความทุกข์ความลำบความฉลาดไม่ได้พาทํา ให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเศษสันึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความสลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความผูกความฉลาดเกิดมากน้อยทางไรจะปลดเปื้องผุกคือความโง่นั้นเป็นอันเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับน่ะนี่แหละกุศลาอันถูกต้องคิด น, นาตรงนี้เหตุประโยชน์ธรามนักปฏิโยมันเกิดจากอะไรเหตุโดย อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจก็หัวใจของคนเราอย่างพระอธิทฐานแสดงแก่ภาษาญี่ปุ่นยะมะเหตุตุภวาน่ะทำร้ายเกิดจากเหตุเหตุประโยคอะไรเป็นเหตุ่ะก็ใจเป็นมหาเหตุแน่มันเป็นปัจจัยก็เออออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหลงไปดูลําด่ำดับก็ไปจับใจนี้อวิชาพยาสั้งคาราเลื่อยไปจนกรทั่งถึงสมุรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องจะเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจเกี่ยวเนื่องออกไป เมื่อแกะที่ตรงนี้แล้วกับวิชาวัตถุวิราชญ์วิราคารไปเลยกระทั่งถึงนิ โ, โรธโหตินะี่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้บนไม้เราถอนออกมาทั้งหลักแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันะ่ะมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนหลักใจลวขวัญไม่ถึนมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือถอนีิเลสจะต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เลวดกันทําไมส่วนไม่พิณาเหตุพิจาณาผล ทำเอาโอามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมงงึงโง่สวดแบบแบบนั้นคำหนึ่งถามให้เห็นว่าผลอะไรไม่รู้งงเขาพาทำก็ทำบาสทำไปเพราะฉะนั้นทำเอ า, าเจ้าสอนคนใหโง่หรืออย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากพุทธลักทาเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิงทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏิบัติเอาแบบฟุ้มดราเอาควา ม, มาง่ายเพืว่ามันก็เข้ากันไม่ได้ศาสนาเหลือแต่ชื่อ การนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนักถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพธิธีเฉยเวลาจะลจะทนอันก็ว่าพระโปะเล็ตโปเล็ตโปเล็ปเล็อารมณ์มันโตก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มกราบลงไปงได้ว่าท่าแล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้นนินิดหน่อยเพราะนั้นดีใจทําไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการว่าอยนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันจงที่เรานั้นเราไม่ได้คิดอยเลงสิ อะไรพาหให้ทําอดแอรถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรอะไรมันจะได้มีจริงมีจั ง, ม, จงมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศ า, นาสนาก็จะปรากวดแก่โลกเรื่ความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างไี้ถึงไี้พูดอย่างนั้นเอันละเอ๋บังเป็นคนนี้ค <laughs> <laughs> <c oughs> <laughs> รูใหญ่เลยว่าเป็นแล้วก็ครูใหญ่อะไรไมรู้นะ